มาตรวจดูที่ว่าในขณะนี้สัต ธ, ธินรียเกิดในใจเราไหมถ้าสัตธทธินรียเกิดในใจเนี่ยบ่งบอกว่าศรัท ธ, ธาเนี่ยเป็นประธานของอุสราธรรมทั้งหลายก็แสดงว่าต้องศรัท ธ, ธาถูกต้องเลยนะไม่ใช่มิจฉาทิโมกศรัท ธ, ธาเจตสิกเนี่ยกะอาทิโมกเจตสิกที่เกิดร่วมกันกับอกุศลนนะ่ยถ้าอธิโมกเจตสิกที่เกิดร่วมกันกับอกุศลนั้นนะ่ะเขาเรียกว่า ศรัทธาเทียมเพราะไปเชื่อในสิ่งที่ผิดผิดเอาความเชื่อนั้นไปตั้งไว้ในวัตถุที่ไม่ควรเชื่อเช่นไปตั้งไว้ในรัฐิหรือคำสอนของดิเรถีหรือไปตั้งไว้ในคำสอนที่ไม่ถูกอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นศรัทธาเทียมใช่ไหฉะนั้นในกรณีที่ศรัทธากำลังตั้งไว้ในกรณีที่บอกว่าเราให้ทานนี้ที่ยังพูดถึงในเรื่องของทานนากุศล ถามว่าทานกุศลมีคําว่าอาลถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็นผู้ให้ทานแล้วก็มีบุคคลที่รับทานการเข้าใจในลักษณะนี้เป็นสามัญเป็นปกติที่คนทั่วๆไปก็เข้าใจอันนี้เป็นกุศลในชั้นของที่เป็นไปตามปกติที่ยังมีทั้งสภาพสัตว์บัญญัติต่างๆเหล่านี้เป็นไปอยู่ซึ่งก็เข้าใจหลายๆท่านก็ทําให้ทานก็ทํทา ก, ทกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากมาเจาะเพื่อจะให้เป็นจาานุสติใช่ไหม สติที่จะเป็นไปในเรื่องของทา น, น ก, กุศลจริงๆนั้นถามว่าตัวทานน ก, กุศลจริงๆนั้นมันได้แก่เจตนาเขาเรียกเจตนาทานก่อนให้ขณะให้แล้วก็หลังให้ใช่ไม่ใช่เจตนาที่เป็นทานนั้นจะต้องเจตนาที่เป็นไปกับกุศลจิตตุบาบาทก็แปลว่าเป็นไปกับกุศลอันนี้เอาตัวเจตนาเป็นประธานนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเขาเอาอโลภะ อโลภะ ค, คือความไม่โลภคือความไม่ติดข้องคือความไม่ยึดติดอโลภะเป็นประธานที่ยในกุศลจิตุบาศเหมือนกันที่ปารภเกี่ยวกันให้เพื่อสละสละในการที่อะไรที่อยู่ในใจสละความตนีความหวงแหนความติดความยึดในวัตถุในสิ่งของเห็นไหมว่าหนึ่งเจตนาทานสองอโลภาทาน ทีนี้ในเจตนาทานและอโลภาทานน่ะยังไม่พองจริงๆถ้าหากว่าทานที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปหน่อยเขาเรียกวิรติทานถ้าวิรติทานนั้นแปลว่า ง, งดเว้นเลยอันนั้นเป็นชื่อของนูน้นเกี่ยวกับเรื่องของวิรติเจรศิคนู่นขึ้นไปถึงนู่นน่ะสีนูน่นอันนู้นปเกี่ยวกับปารลคือการไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายให้ชีวิตเขาให้ความปลอดภัยเขามปนเรื่องการให้เหมือนกันให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตสัตว์ ให้ความปลอดภัยแก่ครอบครัวของเขาให้ความปลอดภัยให้เขาไม่เดือดร้อนใจไม่เขาหวาดระแหวงเป็นต้นอันนั้นก็เป็นลักษณะของทาน่หนไหมแต่เป็นชื่อของปรมัตถธรรมนะเป็นชื่อของเจตนาเป็นชื่อของอโลภาเป็นชื่อของวิรัตทีนี้ถ้าพูดถึงเจตนานั้นเป็นสังขารอโลภก็เป็นสังขารเขาเรียกสังขารขัน นบรรดาสังขารขันเหล่านี้เขาก็เกิดร่วมเวทนาขันสัญญาขันใช่ไหมสังขารละขันอีกส่วนหนึ่งแล้วก็วิญญาณขันรวมเบ็ดเสร็จก็คือกุศลจิตวบาตรทีนี้ในกุศลจิตวบาตรที่เป็นปัจจัยกการที่มีตั้งใจในการที่จะให้ก่อนให้ขณะให้หลังให้หรือในขณะที่เรามีความไม่โลภตัดได้สละได้ไม่ยึดติดในวัตถุในสิ่งของตรงนั้นเน่ยเป็นสภาวะของบรม ธ, ธรรมที่มีการสละมีการให้มีการบริจาค ทีนี้วัตถุสิ่งของเราสมมติกันว่าเป็นข้าวสมมุติว่าเสนาสนะเราก็บัญญัติกันขึ้นมาใช่ไหมอาหารนี่เป็นอาหารนะนี่เป็นแกงนี่เป็นข้าวต้มอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นน่ะถ้าโดยสภาวะจริงๆแล้วมันได้แก่ดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาเท่าสรุปก็คือว่าสิ่งต่างๆที่เราให้เราสละเราบริจาคนั้นเขาเรียกมหาพูดเห็นไหมว่าเจตนา หรือกลุ่มนามธรรมที่ตั้งอยู่บนรูปธรรมคือหัถยวัตถุเป็นต้นมหาพูดเป็นต้นเขาเรียกว่าในเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นผู้ให้ให้อะไรสละอะไรสละดินน้ำไฟลมสีกินรสโอชาธาที่สมมุติว่าเป็นอาหารบ้างที่สมมุติว่าเป็นข้าวของเป็นต้นบ้างทว่าโดยสภาวะธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นอะไร เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นผู้ให้รูปธรรม ท, ทีนี้ส่วนผู้รับเราก็สมมุติว่าเป็นอุบาสกและอุบาสิกาใช่ไหมที่เราเรียกกันเนี่ยโดยสามัญยโวหารเราก็เรียกกันอย่างนี้แต่ถ้าเจาะลงไปถึงสภาวะธรรมจริงๆก็คือได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกเหมือนกันเห็นไหมถ้าพิจารณาทานนกุศลเป็นไปในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าสามารถเดินทานนกุศลนั้นแม้ในระดับของสมมุติบัญญัติก็ได้ แม้จะเจาะลึกลงไปถึงสภาวะทำไปเป็นขันธ์ธาตุญาณนะเป็นผู้ให้และขันธ์ธาตุญาณนะเป็นผู้รับก็ได้ถามว่าถ้าพิจารณาเดินล่องในการที่จะให้ทานได้ในลักษณะนี้เขาเรียกว่าในที่สุดจริงๆเมื่อให้แล้วก็ไม่เป็นไปผู้ความยึดติดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านให้ทานแบบนี้และทานของท่านนั้นท่านจึงสามารถให้ได้อย่างเหลือทนนับท่านทั้งหลายลองสังเกตดูที่ว่าทําไมพระโสดาบันจึงไม่ห่วงเห็น พราะพระโสดาบันท่านถอดอัตตาทิฐิหรือสักยะทิฐิออกจากกระแสขันธาตุอายตนาของท่านไปแล้วฉะนั้นเมื่อถอดสักยะทิฐิหรืออัตตาทิฏฐิที่เป็นประธานของมิจฉาทิฏฐิหกได้อดบรรดามิจฉาทิฐิหรือบาปกรรมมลามกทั้งหลายที่เป็นอปายาคมานญานนั้นถูกถอดหลักรากออกหมเลยท่านเหล่านั้นจะไม่ลงไปสู่เป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมจะไม่ลงไปสู่อบายภูมิและจะไม่มาสู่ภูมิเบื้องต่ํา จะไม่เป็นคนบ้าใบบ่อ น, นัวอีกแล้วจะไม่ได้เป็นคนพิกลพิการเสียแขนเสียขาอีกต่อไปแล้วแต่ว่าอากักข u โสรก ร, รมอลามกทั้งหลายที่ท่านทํามาอย่างยาวนานนั้นถูกตัดตอนเลยถูกตัดขาดทันทีใช่ไหมถูกตัดขาดจากอักุ u โรกรรมถูกตัดขาดด้วยแม้วิบากของอกักข u โรกรรมที่ท่านเคยทําไว้ก็ถูกตัดขาดด้วยเขาเรียกว่าหักกรรมแห่งสังสารจักรที่เป็นไปในส่วนเบื้องต่ําสังโยชน์ที่เป็นไปในส่วนของ การที่จะลงอใบยภูมินั้นถูกตัดขาดเกลี้ยงเลยนั่นเพราะอะไรเพราะอ น, นิสงส์จากการถอดสั ก, กยะทิฏฐิวิจิกิจขาสีระพตปรามาตที่เขาเรียกว่าอัตตาทิฏฐิหรือสั ก, กยทิฏฐิทีนี้คนเราเนี่ยที่หวงเนี่ยนะที่หวงก็เพราะกลุ่มอากุศลธรรมทั้งหลายคือความตันนีที่จริงความตันนีเนี่ยเขเกิดร่วมกันกับโทสะอิสามัฉริยะกุกุจ่าใช่ไหมเพราะเขาเกิดร่วมกันกับโทสะ เป็นลูกน้องของโธสักแต่มัฉริยะนี่นะและลิศยาทั้งหลายนี่นะที่เป็นไปในส่วนของเร็วสามต่ําช้าทั้งหลายเนี่ยจะถูกโสดาปฏิมาคนั้นถอนออกมาได้เลยทีนี้ให้สังเกตดูที่พระโสดาบันจริงไม่เป็นไปเพื่อความขัดแยง้งจะไม่เป็นไปเพื่อการทะเลวิวาทจะไม่เป็นไปเมื่อการดูหมิ่นบุคคลอื่นเป็นต้นสังคมธรรมมนุษย์เนี่ย ที่มีการขัดแย้งกันมีการทะเลาะเบาแวงกันมีการกระทบกระทั่งกันมีการต้องเสียสีกันมีการที่ว่าปทุสลายซึ่งกันและการนีเพราะอะไรก็เพราะว่าสังคมมนุษย์เนี่ยยังถอดสลักตัวมัจฉริยะและความตนหนีไม่ได้ใช่ไหมให้ตัวมัจฉริยะและความตนหนีเนี่ยต้องถอดได้ด้วยโสดาปฏิมา ทั้งๆที่สัตว์ทั้งหลายก็ปรารถนาว่าเราไม่ปรารถนาความขัดแยง้งเราปราดไม่ปรารถนาการทะเลาะวิวาทเราไม่ปรารถนาในการที่จะห้ามผ่านซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดามารพรมหมหรือนาคคนทันทั้งหลายเนี่ยก็มีความคิดกันแบบนี้ไม่ปรารถนาอยากแค่เห็นให้เห็นโลกนี้อุ่นวายเลยแต่ท่านเหล่านั้นก็ทนไม่ได้เมื่อมัจฉริยะและความตนหนีหรือลิษยาต่างๆนี่มัน เข้าลุมล้อมในกระแสขันท่าระยะหน้าของท่านเพราะสติสัมปชัญญะใช่สติสัมปชัญญะของบุคคลที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นพระโสดาบันอ่อนเนยมากเหมือนเราท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูที่ว่าเราไม่ได้เจริญสมาธิทิให้เป็นระบบถามเราเคยคิดไหมว่าเราจะละมิจฉาทิฏฐิเพื่อจ ะ, จ ะ, จะเจริญสมาธิเพื่อละมิจฉาทิฏฐิ แล้วเราก็จะเพียรพยายามเพื่อจะเข้าเพื่อจะล้มิจฉาทิฏฐิเข้าถึงสัมมาทิฐิมีสติในการที่จะตามระลึกเพื่อจะล้ามิจฉาทิฐิเข้าถึงสัมมาทิฐิแล้วก็เอาสัมมาทิฐิเป็นสมาวายมะสัมม า, ส, มาสติเนี่ยไปล้อมสัมมาทิฐิแล้วก็ขยายวงจรของสัมมาทิฐิให้กว้างขึ้นกว้างขึ้นสมมตินะเรามองเห็นพระโอธพระรูปเนี่ยท่านมีข้อวัดปฏิบัติดีสัมมาทิฐิเกิด เพราะมันมันรู้สึกว่าเออเดินได้สะดวกแต่ณวันใดวันหนึ่งเราไปเห็นพระบางรูปเนี่ยปฏิบัติไม่ดีใช่ไหมสมาธิฏฐิไม่เดินกรรมสกตาสมาธิฏฐิไม่เดินวิปัสนาสมาธิฏฐิไม่เดินเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เดินสมาธิฏฐิอย่างกว้างขวางเพราะสมาธิฏฐิของเรานั้นมันยังอยู่ในวงจรที่จํากัดอยู่เราก็เลยไปแยกแยกถึงขนาดไม่เห็นธงชัยของพระละหันพันกายท่านน่ะ ก็ลองคิดดูดิช้างพระโพธิสัตว์แม้เป็นสัตว์เดรัจฉานเห็นจีวรพาดกายของพรามที่ทําร้ายตนเองแต่ช้างพระโพธิสัต์ตนนั้นมีสัมมาทิฏฐิได้ใช่ไหมพิจารณาเห็นสัมมาทิฏฐิก็เกิดได้เนี่ยที่พูดอย่างนี้ต้องการอะไรรู้ไหมต้องการให้ท่านทั้งหลายเดินสัมมาทิฏฐิให้ครบวงยนต์มันเพื่อประโยชน์กระแสะขันธ์ธ า, า, าตุญาณะของท่าน ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของการธาตยะตของผู้เก่าใช่ไหมทีนี้นี่เราจะเห็นได้ชัดว่าการเดินสมาธิอย่างอย่างเรานั้นเป็นสมาธิเป็นกระจุกกระจุกไม่กระจายตัวและสมาธิเฉพาะเรื่องไม่สามารถสาธารณะไปทุกเรื่องได้นั้นการเดินสมาธิแปลว่าหนึ่ง พระบรมศาสดาเดินสมาธิิเวลาพระองค์คิดถึงพระลาหุนพระองค์ก็มีสมาธิิมีสมาวิมะและก็สมาสติในการที่ไปแวดล้อมสมาธิิของพระองค์ได้ชัดเจนใช่ไหมแม้แต่เป็นพระโพธิษัต์พระองค์ก็เดินสมาธิได้ชัดหรือถ้าหากว่าพระพุทธองค์เนี่ยนะตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยถ้าจะไปคิดถึงอดีตชาติพระเทวทัตพระองค์ก็เดินสมาธิสมมาวิมารสมาสติได้ ท่านไม่มีความขัดเคืองเลยอ่ะแม้ในบุคคลที่ปฏิทุสลายท่านในแม้ในบุคคลที่กระทําดีต่อท่านปัญหาของเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราจะติดขัดเรื่องการเดินสมาธิที่ไม่สะดวกเวลาเราคิดถึงถึงบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติ ด, ดีเนี่ยสมาธิที่ค่อนข้างเดินได้ดีถ้าไปไปคิดถึงบุคคลที่ประพฤติปฏิทุสลายต่อเราต่อครอบครัวเราต่อญาติมิตรของเราเป็นต้นรู้สึกมันจะติดขัดบางครั้งเนี่ย อย่าว่าแต่คิดถึงคนอื่นเลยแม้แต่วัตถุที่เรียกว่าพ่อและแม่ของเราบางครั้งเราก็น้อยใหญ่ท่านได้เห็นไหมบางครั้งเราก็โกรธได้เหมือนกันในวัตถุชิ้นนั้นน่ะเราก็ไม่สามารถจะเดินสัมมาทิฏฐิได้สะดวกในผู้ที่มีอุปการะคุณใช่ไหมนั้นอย่าแปลกใจว่ารู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความรู้ของเธอจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิท่านก็เลยมาตั้งบอกว่า ท่านก็เลยมาตั้งอะไรรู้ไหมท่านก็เลยมาตั้งในลักษณะว่าเกี่ยวในเรื่องของนัตถิทินังนัตถิยิทธังนัตถิหูตังเป็นต้นจนถึงนัตถิมาตานัตถิปีดาทั้นั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเราโกรธมารดาโกรธบีดาถามว่าตอนนั้นน่ะแปลว่าจิตใจของเราเป็นวิสาทิฐินะตอนนั้นเราไม่เห็นคุณท่านนะไม่เห็นคุณของท่านนะเพราะเราโกรธได้อะ แล้วเราน้อยใจท่านได้เราคิดประทุสร้ายท่านได้ท่านถึงบอกว่ารู้จักไหมว่าตอนนั้นเป็นวิชาทิฏฐิกําลังไหลท่วมทับกระแสขันธาตุอยายตนะบางทีต่อครูบาอาจารย์ที่ให้พระธรรมคําสอนเป็นต้นใช่ไหมเราก็แยกไม่ออกสมัยก่อนเนี่ยนิรมาเล่าประสัตการนิรมานนินิรมาก็มีครูบบาอาจารย์เยอะบางทีกออ็ครูบาอาจารย์ก็ ตอนนั้นเราก็ศรัทธาท่านใช่ไหมเพราะอยู่ต่อมาเราก็ศึกษาพระธรรมจากท่านนั่นแหละเราก็เริ่มมีความรู้พัฒนาขึ้นมาทีนี้เราเราไปเจาะลึกได้แต่เนี้ยเอ๊ะท่านบูนี้อาจารย์เราสอนไม่ผิดไปสอนผิดทีนี้อันตรายนักงนะี้นีนะ่เอาเลยทีแนี้ใจอ่ะไม่เอาเราเลยไม่เอาเราเลยไอ้ตรงที่ไม่เอาไม่เป็นไรนะนีก็เริ่มตำหนิแล้วแยกไม่ออกแล้ว ส่วนดีแยกไม่ออกเข้าใจยังเลยเอาส่วนดีกับส่วนไม่ดีมาปนกันแล้วก็เลยไปปะทุษรายท่นเขยโอ้ยุ่งเลยเดี๋นี้นี่เขาเรียกว่าแยกไม่ออกระหว่างสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิแท้ที่จริงนะถามบอกว่าก็สัตว์เดรัจฉานเรายังให้อภัยได้ก็เรายังรักยังปรารถนาดียังเอื้อถอนกับสัตว์ตัวนั้นได้ยังไงอันนี้คนเคยมีอุปการะคนกับเราแท้ๆถ้าอย่างนั้นอะ ถาจมาศึกษาพระธรรมสมมุตินะถ้าจะมาสมมุติว่าตนเองเนี่ยเป็นสมาธิจิสมมุตินะแต่จริงๆแนะสมาธิจิมันเดินได้ไม่สะดวกทุกคนหรอกในบรรดาปุถุชนทั้งหลายไม่มีใครเดินสมาธิจิได้ยี่บสี่ชั่วโมงถ้าปุถุชนเนี่ยนะเดี๋ยวมิจฉาทิฏฐิก็เข้ามาแทรกเป็นระยะแทรกเป็นระยะแทรกเป็นระยะนี้เขาเรียกว่าเป็นปุถุชนเป็นอย่างนี้ใั้นเราต้องรู้จัก เขาเรียกว่ารู้จักสัมมาทิฏฐิรู้จักมิจฉาทิฏฐิให้ชัดว่าขณะไหนสัมมาทิฏฐิเดินขณะไหนมิจฉาทิฏฐิเดินถ้าเราไม่รู้เราเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเข้าไปรู้ในขณะนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเรามีความเพียรพยายามเพื่อจะละไหมมีสติตามลึกเพื่อจะละมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงสัมมาทิฏฐิไหมถ้ามีความคิดแล้วก็เพียรพยายามไปในลักษณะนี้แสดงว่าสัมมาทิฏฐิเริ่มเดินเข้ากระแสขันธ์อายตนะของเราได้แล้วเอาไอ้มากันนึกถึงโยม พ่อยอมแม่ยอมพ่อยอมแม่ยัง ม, มีความเห็นผิดเต็มไปหมดเลยทีนีย้ยอมพ่อยอมแม่มีความเห็นผิดผิดบางอย่ า, ยางเพราะท่านไม่ได้เรียนพระธรรมเราสิท่านจะให้ท่านแยกยังไงใช่ไหมขันาธนาตุอายตนะสัจยอินทรีย์ปฏิจจะท่านแยกไม่ได้เลยอ่ะก็ท่านแก่อายุตัง้งจะแปดสิแล้วยอมพ่อยอมแม่จะมาก็ได้ฟังพระธรรมฟังท่านก็นยังมองว่าคนนั้นพูดคนนี้พูดอยู่นั่นแหละ ท่านก็แยกไม่ออกถามอย่างนี้เรามาลังเกียดพ่อแม่ได้ไหมจะตําหนีได้ไหมนี่ท่านบนนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิอันมาก็ตําหนีไม่ได้ถ้าเราตําหนีผู้มิจฉาทิฏฐิเราก็คือตําหนีอดีตชาติของเรานั่นแหละอันตำหนิตุกขันธ์ย่งของเราในอดีตเราเนี่ยเป็นศาตว์ที่มีมิจฉาทิฏฐิอย่างยาวนานมาแล้วในสังสารวัฏอันมากล่าวเมื่อวานนี้ใช่ไหมบอกว่ากรรมที่เราไม่เคยทํานั้นคือมรรคกรรม โสดาปฏิมากไม่เคยทําสก่าทาคาอินมากนาคายินมกักอาราตมากักอันมาจะพูดถึงนี้ตลอดกรรมเหล่านี้เราไม่เคยทํานอกนั้นทํามาเกลี้ยงและอีกกรรมหนึ่งนะที่เรายังไม่ได้หลุดเข้าไปคือนิยตามิฉาทิฏฐิกรรมเพราะถ้าใครหลุดเข้าไปแล้วมันดึงตัวออกไม่ได้ท่านนิยตามิฉาทิฏฐิคือไอเหตุการ์ทิฏฐิอย่างเหนียวแน่นอกริยทิฏฐิแล้วก็นัตถกาทิฏฐิอย่างเหนียวแน่นอนะ่ะถ้าใครโดดลงไปคิดเกินเจ็ดโชนะแล้วถอยกลับไม่ได้เพรางั้น แปลว่าเป็นคนเห็นผิดตลอดการเลยก็กลายเป็นสัตว์ที่เฝ้าสังสารวัตก็ เ, เรียกกันวัตตคาหานุเขาเรียกว่าเป็นตอของวัตต์ถอนออกจากวัตต์ไม่ได้แต่นอกนั้นทําหมดเอาทนอกนั้นทําหมดอจะมาเยอะกีอย่างหนึ่งมาตุคาดเราทํามาแล้วสองปี่ตุคาดทํามาแล้วสามอรหันตคาท์ทำมาแล้ว ส, วสี่โลหิตตุประบาททํามาแล้วห้าสังกเพศทําหรือไม่ทํา ไปคิดดูไปคิดดูไปมาถามหน่อยว่าเคยท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้เคยไม่พอใจพระไหมเอาแค่ไม่พอใจอะกไอ้ความไม่พอใจมันมาจากไหนถ้ามันไม่เคยฝังแน่นในกระแสของขันธาตุเจตนาอย่างยาวนานในยี่สิบแปดสิบหรือหลายร้อยอสงไข่กับที่แล้วมันมาอย่างไง ทำไมธงชัยพระละหันปิดกายท่านอยู่แล้วถ้าเราทําไมทะลุไปโกรธท่านเน่ยถ้าจะโกรธเราทําไมโกรธเจาะไอตัวมิจฉาทิฏฐิท่านไม่ได้ตัวที่น่ารังเกียจที่สุดคือมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่บุคคลเพราะตัวมิจฉาทิฏฐินี่แหละทําให้สัตว์นั้นต่ำช้าเร็วซามใช่ไหมต้องกระเสือกกระสนมาอย่างยาวนานในสังสารวัตรตัวนี้น่าเกลียดมากแต่เราจะถอนมันได้ยังไง ถวิปัสสนาสมาธิฐิมันจะถอนแบบจะทังกทพบาหารใช่ไหมธรรมะ ก, กับสมาธิฐิถึงจะถอนโดยสมุทเฉตบารถ้าหากว่าสมาธิเนี่ยมันจะข่มได้ด้วยวิขมปนะเท่านั้นแหละสรุปแล้วก็คือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นทิฏฐิที่เป็นล่องรอยในกระแสขันทัดญาติาายตนะของเราท่านทั้งหลา ย, ยแล้วถอนไม่ออกและในขณะเนี้ย เหมือนที่อาตมาพูดว่าว่าเท้ามหาพรมเราก็เป็นมาแล้วอาภัสรพรมก็เป็นมาแล้วเวหาพราพรมก็เป็นมาแล้วเนวสัญญาานะสัญญายาตนาพรหมก็เป็นมาแล้วอบายศัสตว์ในเอเวจีเราก็ไปท่องเที่ยวมาเรียบร้อยแล้วแต่พอมาในปัจจุบันนี้เราได้ฐานะเป็นมนุษย์หน่อยก็ลืมเนื้อลืมตวัวอีก เนี่ยเรามันเป็นที่เที่ยวของสัตว์ทั้งหลายงั้นชีวิตเนี่ยมันเจ็บปวดถ้าในสังสารวัฏถ้าเราดูสังสารวัฏของพระโพธิสัตว์ที่ท่านเดินทางมาอย่างยาวนานั้นเราจะเห็นลองดูพระพุทธเจ้าเนี่ยทําไมพระพุทธเจ้าจึงลงนรกทั้งๆที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่เราก็มานั่งคิดดูที่ว่าโพธิสักอย่างหนึ่งได้ฝังแน่นกระแสใจของเราไหม สาวกับโพธิ์ที่ปเจกับโพธิสมมาสัมโพธิฝังแน่นไหมถ้าฝังแน่นเนี่ยวันหนึ่งเราคิดถึงการตัดสู้กี่ครั้งคิดจะออกจากวัตะกี่ครั้งคิดเบื่อหน่ายสังสารวัฏกี่ครั้งถ้าเรามาคิดอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วปริมาณหน่วยของความคิดของเรานน้อยมากโดยมากใจของเรานั้นก็ติดอยู่กับวัตถุกรรมด้วยอํานาจของกิเลสกรรมแม้แต่เราศึกษาพระธรรม แม้จะขนาดศึกษาพระธรรมอาตามานึกถึงอะไรรู้ไหมมีสมัยรังกาเนี่ยมีพระเถระท่านแสดงธรรมท่านพารฒนาพุทธคุณนี่นะพรฒนาตั้งแต่เช้าจนมืดอ้ที่จริงท่านท่านเทศนาตอนค่ำๆเทศนาไปจนถึงเช้าอ่ะเพราะถึงตอนเช้าเนี่ย ก็มีบุรุษผู้หนึ่งอยู่ด้านหลังนะสาธุอย่างดางาังสาธุสาธุทุกคนก็นหันไปมองเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านยืนฟังธรรมบนนมมือทางพระก็ถามว่ามหาวพิษ ม, มาวพิษมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็บอกมาตั้งแต่หัวค่าแล้วก็ยืนบรนนมมือฟังท่านบอกว่าโอ้โหมหาวพิษนี่ทำสิ่งที่ทำได้ยากมาก ทำได้ยังไงจะบอกว่าพระคุณเจ้าที่พระคุณเจ้าเห็นเห็นโยมยืนบันนมมือฟังทั้งคืนเนี่ยไม่อัศจรรย์หรอกแต่พระคุณเจ้าต้องอนุโมทนายอย่างว่าที่พระคุณเจ้าสาธยายพุทธคุณมาเนี่ยใจของใจของโยมไม่เคยหลุดไปจากกระแสธรรมเทศนาเลยทั้งคืนโอ้พระภาษาทุษฎีเห็นไหม ทำได้ไหมยอนทำได้ไหมปักใครททำได้ไหมนั่งน้องยกมือเลิกมือก้นประกาศตนหน่อยอันมาอยากแล้วท่ามาจะสาธุดังๆแล้วก็จะไปคุยด้วยว่าทำยังไงใช่ไหมทำยังไงใจไม่วอกแวกเลยอ่ะไม่หิวน้าไม่คิดถึงใครใจอยู่กับพระธรรมเทศนาถ้ายอมทำได้นะ อนน ну. าตมาก็จะสาธยายเนี่ยทั้งวันเนี่ยแล้อาตมาจะไม่ลุกไปไหนเลยบางทีถ้าใครยกมือว <te g ness üyor> ่าเออโยอมจะไม่พลากจ <VES> ิตออกไปจากกระแสวัฒร์เทศนาที่พลนาคุณของพระเจ้าและอาตมาจะจะรลนาด้วยความตั้งใจด้วยเมื่อกี้โยมถามอาตมาใช่ไหมโยมที่ถามว่าเอ๊ะทาไมท่านเวลาสาธยอยู่กาววัฒน์กาวพวกพวกพวกพวกกาวได้ไวเข้าใจไหม ถ้าศรัทธามันเกิดไงโยมคนเราถ้าศรัทธามันเกิดเนี่ยยอมลองทําเลยเอาตัวโยมมาเป็นบันณฑารำยยอมลองยอมลองศรัทธาพระพุทธเจ้าเอาสักหกสิบเปอร์เซ็นตลองศรัทธาพระบรมศา ส, าสดาเนี่ยศึกษาคุณของท่านจริงๆและยอมจะรู้ว่าใจของโยมเนี่ย ร, ร่างกายเนี่ยหไหมปกติเราจะรักมาก ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะยึดติดมาแต่ถ้าเราศรัทธาในพระเจ้าจนถึงห0สิเปอร์เซ็ไม่ต้องถึงร้อยเราแค่หกสิบเปอร์เซ็นเยความอะไรในกายและชีวิตมันก็จะน้อยลงย่อมไม่รู้หรอกว่ากรณีที่ว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตในะแค่คำนี้คนที่เขามีศรัทธานก็พอแล้วใช่ไหม ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้ามอบกายถวายชีวิตแด่พระธรรมมอบกายถวายชีวิตแด่พระสงฆ์แปลว่าอะไรรู้ไหมข้าพเจ้าเป็นทาตของพุทธเจ้าแปลว่าอะไรนั้นท่านจะไม่พยายามให้ตัณหาเนี่ยมาแทรกใจท่านเด็ดขาดเพราะอะไรถ้าตัณหามาแทรกใจเวลาใดแปลว่าตอนนั้นเป็นทาตของตัณหาใช่ไหมแต่ถ้าศรัทธามีอยู่ในใจของท่านเวลาใด แล้วมีเป็นไปกับตถาคตาโพธิสัตว์ตอนนั้นแปลว่าท่านเป็นาธาตุของพุทธเจ้าทีนี้ถามว่าใครละที่สามารถตั้งกระแสจิตไปได้ในพระธรรมเทศนาได้ขนาดนั้นต้องคนที่มีศรัทธาดีที่แท น, นว่าบางท่านอาศาจ ร, ร์อาศาจ ร, รย์ว่าทําไมปุรุชนทำอย่างนั้นได้อย่าแปลกใจนะถ้าพระเจ้าโศกมหาราชยืนไม่กระพริบตามองพระพุทธรูปมองพระพุทธเจ้า ที่ว่ามีนาคเนรมิตรพระรูปของพุทวะย่าอย่าแปลกอย่าไปเอาตัวเองเป็นประมาณเพราะสัตทินรียเรามันอ่อนอันมาใช้ใช้คำว่าอ่อนยังไงว่าลักษณะของสัตทินซีย่ที่ว่ากับปากขันธนะศรัทธาเนี่ยที่เคยกล่าวไว้แล้วว่าลักษณะของสัตทินซีนี่เป็นธรรมชาติที่มีการแล่นไปสู่ธรรมเบื้องสูงเป็นต้น เพราะว่าศรัทธานั้นมีความเชื่อเป็นลักษณะหรือมีความปักใจเชื่อเป็นลักษณะใช่ไหมกิจของศรัทธาก็คือว่ายังนา ม, มาธรรมที่เกิดร่วมนั้นให้มีความผ่องใสอุปมาเหมือนกับแก้วมณีเอียนผ่องใสทำน้ำที่ขุ่นให้ผ่องใสเชนนั้นแล้วก็มีกิจในการที่จะแล่นไปสู่คุณธรรมเบื้องหน้าอุปมาเหมือนกับการข้ามขึ้นจากกามโมคาพวคทิทโธคะอวิโชคะ ห่วงน้ำคือกามาคุณเป็นต้นนั้นได้และรักศรัานั้นปรากฏในใจของปัญญาของโยคาวจรนะผู้โยคาวจรนี่ก็แปลว่าผู้กระทําความเพียรในการตั้งสมถะและวิปั ส, สนาในการที่จะไข ค, ครัวในการที่จะเป็นปจัจจัยในการแทงตลอดสัจจะเป็นธรรมที่ไม่มีขุนมีก็ไม่มีการขุนมัวก็ได้หรือมีความน้อมใจเชื่อก็ได้ประการต่อมาคือมีวัตถุ ที่ควรเชื่อเป็นเหตุใกล้ให้เกิดมีโสดาปฏิยังฆธรรมก็คือมีการฟังพระสัตธรรมเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเนี่ยถ้าถามอย่างนี้นะว่าศรัทธาก็คือความเชื่อที่บอกเอกันตะศรัทธาคือศรัทธาแท้แล้วก็ปฏิรูปประกาศศรัทธาคือศรัทธาเทียมในศรัทธาทั้งสองใช่ไหมที่ได้กล่าวไว้คือถ้าศรัทธาแท้คือศรัทธาเจดสิกถ้าศรัทธาเทียมก็คือมิจฉาที่โมกดังที่ได้กล่าวเนี่ยฉะนั้นคนที่มีศรัทธาเนี่ยเขาทําอะไรได้จริงๆ และความตั้งมั่นในการที่ฟังทำเนี่ย time, ก็ฟังได้อย่างต่อเนื่องและฟังได้อย่างยาวนานันนั้นจะแปลกใจนะในการที่ท่านตั้งในใจในการที่จะฟังทำของพระบรมศาสดาอย่างต่อเนื่องและอย่างยาวนานเหมือนการนอบน้อมเมื่อจะดึกสักครู่ที่กล่าวถึงในเรื่องของการพารณาคถาของพระคันฑรัตนาจารย์ที่ท่านพารนานอบน้อมด้วยกายปณนามวจีปานามมโนปานามในการที่จะนอบน้อมคุณของพระบรมศาสดาเนี่ยเพื <S <S <S ่ออะไร การประพฤติเช่นนี้เป็นการประพฤติตามวงของอริยะวงผู้เบิเสริฐการนอบน้อมคุณของพระรัตนตรัยนี่นะการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยแต่การระลึกเนี่ยหนึ่งในขณะที่จิตใจระลึกอย่างเราท่านทั้งหลายก็เราคิดแบบผิวเผินก็ได้ใช่ไหมว่าเออเราจะกระทาอะไรก็แล้วแต่มีพิธีการในการไหว้พระสวดมนต์กันก่อนแล้วก็ฟังธรรมหรือทํากิจกรรมใดๆก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้คือพิธีกรรมแต่ถ้าเราจะเจาะไปถึงสภาวะจริงๆถามบอกว่า การที่มีการกล่าวการนอบน้อมตามอริยวงคืวงของปริยาเจ้าทั้งหลายนั้นน่ยในขณะนั้นใจนั้นเป็นไปกับ ก, กุศลกิจุบาบาทนะทีนี้กุศลจิจุบวาทที่เป็นไปในขณะนั้นมีสัตทินรียเป็นประธานถามว่าถ้ามีสัตทินรียเป็นประธานแล้วเนี่ยใจนั้นจะตั้งมั่นในพระธรรมของพระบรมศาษษสดายอย่างต่อเนื่องเลยและก็มีเจตนาเป็นประธานบ้างมีปัญญาเป็นประธานเป็นต้นบ้าง ฉะนั้นในขณะนั้นนามนามธรรมาคือกุศลจิตรวัตานั่นเป็นไปกับคุณของพระบรมศาสดาอย่างตลอดสายฉะนั้นกุศลที่เป็นไปในคุณของพระบรมศาสดาอย่างตลอดสายในขณะนั้นก็จะยังปราโมทปีติปัิสธิความสุขสมาธิให้ตั้งมัน่นเห็นไหมกระแสะแห่งบุญทั้งหลายมันก็จะไหลเข้าสู่วงจรของจิตใจก็ทําให้จิตใจของท่านผู้นั้นมีความตั้งมัน่นมีความผ่องใสมีความเลื่อมใส เพราะสภาพของจิตใจที่ขุ่นมัวนั้นเป็นสภาพที่อึดอัดและหนักให้สังเกตดูเราท่านทั้งหลายนะในขณะที่เราฟังพระธรรมปุ๊บเนี่ยใจมันหนักพอใจมันหนักมันก็จะมืดใช่ไหมมันก็ค่อยริบหลีลงรีบหลีลงใช่ไหมใช่นั้นส่วนหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามันไม่ใช่ริบหลีลงอย่างเดียวมันเป็นไปกับความฟุง้งซ่านเพราะในขณะที่เรามาฟังธรรมอยู่เนี่ยไอเสียงของตันหาเสียงของทิฏฐิทั้งหลายก็คอยกระซิบอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม เออเรามาเนี่ยทางบ้านเขาจะทําอะไรนะเนี่ยงานนั้นยังไม่เสร็จถ้าความคิดของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายสังเกต ด, ดูสิเวลาเดินออกจากที่ไหนแล้วใจท่านก็ขาดจากที่ตรงนั้ น, นทําได้ไหมทําเหมือนลูกธนูที่มันวิ่งออกจากแหล่งออกจากตัวนั้นได้วิ่งหลุดไปแล้วมันไม่ย้อนกลับมาแล้วก็ <S <S <S ここหมายความบอกว่าจิตเนี่ย ถ้าไปอยู่กันนะ่ะสิ่งใดนั้นน่ะจะไม่ย้อนกลับเพราะเว้นไว้แต่ไปอยู่ในสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายมันจะหดหนีแต่ถ้าไปในกะคุณของพระบรมศาสดาคุณของพระธรรมคุณของพระ ร, รีสงุ์เนี่ยจะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าในที่สุดจริ ง, รงๆน่ะเขาได้สรารนณะจริงๆใช่ไหม เพราะเข้าถึงสภาวะของพุท ธ, ธสภาวะของธรรม ส, สภาวะของสังขายิาง่งยนี่แปลว่าเขาเข้าถึงความตั้งมั่นแล้วและจิตใจนั้นก็มีความมั่นคงมีความเด็ดเดี่ยวเขาเรียกว่าไม่วอกแวกอันมาไปเจอในกำมพี้ยรกถาท่านก็จะกล่าวบอกว่าธรรมดาสตรีเนี่ยมีความโลเล่ห้าอย่างเว่าใั้นมพอพูดตรงนี้ทีไรเนี่ย มีผู้ชายบางคนบอกเนี่ยตรงนี้ก็ท่านอ่านแล้วไม่ค่อยสบายใจถามทำไมก็ผมก็โลเลทาไมผมเขาบอกว่าตัวผมเองอะโลเลแต่ทำไมบอกผู้หญิงโลเลไอ้มาก็เลยบอกว่าท่านกล่าวไว้ไม่ผิดหรอกท่านกล่าวแบบในโดยตรงคำว่าในโดยตรงนี่กล่าวยังไงแปลว่าผู้ชายคนใดที่เคยเกิดเป็นหญิงมายอย่างยาวนาน แล้วมาหลุดเป็นชายสองชาติหรือสองชาติไอความโลเลนั้นมันเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่ยังไม่ได้ถูกตัดขาดแต่ผู้หญิงบางคนที่เขามีความจิตใจที่มั่นคงบางทีเขาเพิ่งหลุดจากชายไปเป็นหญิงไม่นานอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราต้องเข้าใจแต่ความเป็นหญิงนี่โลเลจริงๆต้องให้เข้าใจตรงนั้นเสียเราจะได้ไม่ขัดแย้งกับการศึกษาพระธรรมให้ชัดให้สังเกตดูว่าถ้าเราท่านทั้งหลายเนี่ยมีความโลเลมาก แสดงว่าความเป็นหญิงของเราเนี่ยมันยังออกอีกได้อีกนานเดี๋ยวย อ, อกจะภาพสภาวะตรงนั้นถ้าผู้ชายคนใดมันเริ่มโลเลโลเลนี่สภาพมันจะกลายแล้วเข้าใจยังนั้นถ้าเราชัดเจนตรงนี้เราจะได้เข้าใจอ๋อพระบรมศาสดาตรัสไว้ไม่ไมีผิดใช่มเพราะนายธัญญาเนี่ยแกเชื่อมั่นภรรยาแกว่าภรรยาของตนเองเนั้นเน่เป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์ จริตแล้วก็ไม่เคยนอกใจพระบรมศาสดาก็บอกว่านายธนียาเนี่ยไม่ใช่สพัญยูจะรู้อะไรจะรู้อะไรเพราะธรรมชาติของใจเนี่ยกลิ้งยิ่งกว่าน้ำบนใบบัวใช่มมันสลับอยู่ตลอดเวลามันคิดสับสนอยู่ตลอดเวลานายานียาไม่ได้อบรมกระแสขันของตนเองมาอย่างยาวนานอย่างตะถาคตพระบรมศาสดานั้นนะ่ย อบรมกระแสขันของตนเองนั้นเริ่มตั้งปฐมจิตแห่งการปรารถนาเป็นพระเจ้าในสัมปะรู้บากเนี่ยยี่สิบปสงค์ไขยิ่งด้วยแสนมหาตัปก็ฝึกจิตดัดจิตมาขนาดยาวนานอย่างนั้นนายธนิยะไม่ได้ฝึกเท่าพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าฉะนั้นนายธนียะก็คือคนมืดบอดตอนนั้นนะไม่รู้ก็ขนาดจิตของตนเองยังไม่รู้และจะไปรู้จิตของบุคคลอื่นได้อย่างไร เนี่ยก็เลยถึงบอกว่าความโลเลเนี่ยมันมีได้ทุกคนจริงแต่ถ้าความเป็นหญิงโลเลมากกว่าชายจะมแต่หมายความว่าอัธยาศัยดังที่ได้กล่าวนะดังที่ได้กล่าวฉะนั้นการนอบน้อมคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยเพื่อความตั้งมั่นนะทำสัตทินีให้เกิดดังที่ได้กล่าวเนี่ยนะที่บอกว่า ถานาเกษณ์ก็ทูลต่อพระราชาว่าศรันั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมข่มนิวรธรรมทั้งหลายให้สงบราบคาไปได้เป็นต้นใช่ไหมเพราะปกติเนี่ยให้สังเกตถามว่าเราทั้งทั้งหลายลองคิดดูตอนนี้เราตั้งศรัทธานในพระพุทธเจ้าได้หรือไม่ได้หนึ่งตอนนี้กามาฉันทาเกิดไหมในขณะฟังธรรมตอนนี้นะสังเกตได้เลยสองพยาบาทเกิดไหมสามถีนมิทะ เอาเกิดไหมถ้าเกิดแปลว่าศรัทธาไม่เกิดมันจะได้สังเกตได้ใช่ไหมถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิมาสังเกตเราจะไม่รู้หรอกว่าตอนเนี้ยบางครั้งเราคิดโอ้ยเราศรัทธานะอย่าดูรูปแบบอย่างเดียวเช่นว่าโอ้โหขยันไปวัดแต่ไปนั่งหลับบ่อยๆอย่าอย่าไปไปเรียนทุกนัดเลย แต่หลับครึ่งหนึ่งเรียนครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะอันนี้ไม่ใช่เพราะสัตทินซีต้องเป็นธรรมชาติที่ผ่องใสต้องสามารถข่มนิวรณ์ได้หนึ่งกามาันท่าไม่เกิดสองพยาบาทไม่เกิดสามถีนมิทะความที่จิตโหดหู่ไม่ไม่เกิดเพราะถ้าถีนมิ่ะเกิดเนี่ยแค่กายของตนเองก็จะเอาตัวไม่รอดแล้วใช่แล้วก็อุท ธ, ธจกุกุจั ฟง อ, อยู่ตลอดเวลานัดแล้วทำไมไม่มานัดแล้วทาไมไม่ใช่ไหมก็ไปแต่ว่าแล้วก็วิจิกิจฉาโ้พระพูดเนี่เคยตั้งข้อสงสัยบางคนสงสัยพระพลาดทิ้งไปถึงบระธรรมนั่นกระทบถึงบุดาจ้าก็ยังไม่รู้ตัวนะงั้น ก, ก, ก็ต้องก็ต้องระวังจิตให้เป็นตรงนี้ท่านบูดรักษาจิตได้ก็นะ เหตรงนี้ลองสังเกตไม่ยากว่าศรัท ธ, ธาเราเดินหรือไม่เดินไม่ยากเนลยเพราะถ้าศรัท ธ, ธาเดินเนี่ยมันนั่งสปปงบเงียบเงียบเงียนี่ไม่ใช่ต้องรู้เลยว่าศรัท ธ, ธาวันนี้มากแล้วต้องแก้ไขถามว่าจะแก้ไขศรัทธายังไงเอ้าถามว่าอะไรเป็นปัจจัยแก่ศรัท ธ, ธาชาติทุกขชราทุกขมรณะทุกขโกสกตาทุกปริเทวะทุกเป็นต้น แสดงว่าเห็นความเกิดเป็นทุกข์น้อยไปเราไม่กลัวทุกข์คือการเกิดไม่กลัวทุกข์คือความแก่ไม่ไม่กลัวทุกข์ ค, กกกคือความเจ็บไข้ไม่กลัวทุกข์คือความตายความโศกความล่ำลายลำพันต่างๆเราใชมคนที่เขาเห็นทุกข์มากๆเนี่ยแล้วเป็นปัจจัยแก่ศรัทธานี่นะเขาตั้งมัน่นทีนี้แสดงให้เห็นชัดว่าเราเห็นทุกข์น้อยไปใช่ไหม ต้องเห็นทุกข์ในระดับไหนถึงจะมีศรัทธาอย่างเราต้องเห็นทุกข์แบบประเภทนางประตาเจลาอธิษฐานดิกล้าไหมบอกวยาข้าพเจ้าศรัทธาอ่อนขอยข้าพเจ้าประสบทุกข์อย่างนางประตาเจลาเถอะกล้าไหมอย่างข้าพเจ้าเนี่ยต้องเจอทุกข์อย่างนางประตาเจราไม่ต้องขนาดนั้นข้าพเจ้าถึงจะศรัทธาในผู้ได้เจ้าอย่างมั่นคงกล้าไหมล่ะ ก็เราปรารถนาศรัทธาเป็นธรรมเราต้องเป็นการเป็นทาาของพุทธเจ้าป่ะต้องการใช่ไหมหรือต้องการเป็นทาาของตัญหาถ้าเป็นท่าของพุทธเจ้าศรัทธาในาาตถาคตผลโพธิศรัทธาต้องชัดใช่ไหมแล้วเมื่อฟังพระธรรมที่ที่เป็นคําสอนของพระบรมศาสดาความตั้งมั่นแห่งจิตต้องสูงใช่ไหมถ้าตอนนี้มันไม่สูงอะ่ะไม่สูงก็ต้องหาอาหารของศรัทธาใช่ไหมปัจจัยของศรัทธาส่วนหนึ่งคือทุกข์ใช่ไหม เอออย่างเรามันเจอทุกน้อยไปนี่ต้องเจอทุกมากมากเนี่ยมาตอนมาเจอทุกเนี่ยมาสมแล้วที่เรามันศรัทธาน้อยเออเจออย่างเงี้ยดีแล้วถ้าถ้ายังไม่ศรัทธาพระเจ้าอีกต้องมากกว่านี้ใช่ไหมกล้าไห้แบบนี้จริงจริงบางคนเขาไม่ต้องเจอทุกมากใช่ไหมเพราะอะไรเพราะปัญญาก็ดี คือเขาสามารถแล่นไปคิดถึงความทุกข์ของอ ბ ายศัตว์ก็ได้แล่นไปคิดถึงความทุกข์ของสัตว์อื่นได้หมดเลยเขาสามารถประมวลความทุกข์ของสัตว์อื่นเอามาเป็นความทุกข์ของตนเองทําศรัทธาเป็นตถาคตาโพธิศรัทธาปราถนาเป็นพุทธายาได้นี่คือพระโพธิสัตว์เห็นไหมเพราะเขาเห็นทุกข์ของบุคคลอื่นมากที่สุดแล้วเขาจึงมีศรัทธาในการตั้งความเพียรปรารถนาจะขนสัตว์หรือสัตว์นี่ไงคือพระโพธิสัตว์ท่านทําไมทําได้ ล่องรอยท่านก็ทําเป็นตัวอย่างให้เห็นเราเยอะแยะหมดทําไมเราทําไม่ได้ทําไมตั้งศรัทธาลงในกระแสขันท่าอายตนะไม่ได้มันพ่ออะไรลองไปถามตัวเองที่ถามบ่อยๆเป็นพ่ออะไรทําไมถึงไม่ศรัทธาเป็นพ่ออะไรถึงไม่ศรัทธาเนี่ยก็ตั้งเนี่นะทํำให้ศรัทธาน้อยแล้วเกินใช่ไหมหรือรอให้ไปเกิดเป็นหนอนถึงจะไปศรัทธาตอนอัธภาพเป็นหนอนหรือจะไปเป็นสัตว์นรกก่อนหรือจะไปเป็นเปรตก่อ right? นถึงจะยอนเจริศรัทธาก็ต้องถามตัวเองอย่างนี้ ถ้าไปเป็นนอนน่ะจะตั้งศรัทธาได้ไหมก็หมดสิทธิีโมหะก็ครอบงมไปเป็นเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกก็ไม่ได้อีกและอีกอย่างนยิ่งในขณะที่ถูกทรมานเนี่ยศรัทธาไม่ค่อยเดินหรอกโทสะไปร้องแหกปากร้องอยู่นั่นแหละใช่ไหมใช่ตอนถึงบอกไงบอกว่าจริงๆในหลักการก็คือว่าหนึ่งตอนนี้ปริมาณของการวิจัยของเราท่านทั้งหลายมันน้อย คือสัมมาทิฏฐิมันไม่เดินเนี่ยใช่ไหมโยนิโสมันราชการไม่เกิดสัมมาทิฏฐิไม่เกิดการปริมาณการฟังธรรมก็น้อยอาตมาเนี่ยเวลาอาตมาฟังพระธรรมเนี่ยอาตมาฟังมากนะหมายความว่าอ่านแล้วฟังเนี่ยอาตมาจะจะปริมาณการฟังฟังฟังฟังแล้วมากขาตรึกใครควรถามว่าปริอย่างกรณีอย่างเราท่านทั้งหลายเวลาฟังที่พุทธคุณใช่ไหม อย่างเช่นว่าเอฟฟังยังไงให้เกิดศรัทธาของพุทธเจ้าถ้าเรา พ, รพิจารณาถึงยิง ย, งยกตัวอย่างอย่างที่เคยยกตัวอย่างเนี่ยว่าท่านสามารถยืนบนมมือได้ทั้งคืนในการฟังธรรมที่อัศาจรรย์มากกว่านั้นก็คือท่านส่งใจไปตามกระแสพระธรรมาเทศนาไม่ภาคจิตไปกระสิ่งอื่นตลอดทั้งทั้งสิบสองชั่วโมงได้เนี่ยเป็นความอัศาจรรย์แท้เนี่ยพอตั้งอย่างนี้เบสเซตันก็แล่นไปเลยเนี่ยเขาเอาบุคคลแบบนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็เอาศรัทธาแล่นไปข้างหน้าแล่นไปแบบนี้มันข้ามไปได้ เหมือนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านเห็นพระพุทธเจ้าองค์กันก่อนท่านก็บอกเนี้ยท่านจะเป็นให้ได้นั่นศรัทธาจะวิ่งไปอย่างเงี้ยหรือเหมือนคนที่ปราดเนาเป็นอา卡拉สาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายท่านก็ตั้งแบบเนี้ยท่านเห็นอา卡拉สาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายท่านก็ตั้งไว้ต่อไปท่านจะเป็นท่านบุนี้เป็นเหมือนท่านบุเนี้ยเห็นไหมศรัทธาจะแล่นไปอย่างงี้ลักษณะศรัทธาจะแล่นไปอย่างงี้อย่างเราบางทีแล่นไปแล้วก็หยุด บางทีแล่นไปดีแล้วนะไปเจออุปสรรคหน่อยบอกไม่เอาเลยที่ตั้งก็วนะ่าล้มซะอีกแหละ